ชีวิตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําได้เตรียมการรับมือแก้ปัญหาอุทกภัยโดยได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมการรับมือเตรียมบุคลากรและเครื่องมืออย่างครบคัน โดยกรมทรัพยากรน้ำมีเครื่องสูบน้ำจำนวน311เครื่องรถบรรทุกน้ำ32คันและมีความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำที่ใช้การได้410แห่งรวมทั้งฝ่ายเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถชะลอน้ำได้จำนวน831แห่งนอกจากนี้ยังมีการออกแบบและติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning เพื่อวัดระดับน้ำฝน ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ลาดเชิงเขาและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อวัดระดับน้ําท่าในพื้นที่ชุมชนโดยจะมีการวิเคราะห์ประมวลผลสถานการณ์และทําการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ให้ประชาชนทราบโดยใช้สัญญาณไฟสีเขียวหมายถึงการเฝ้าระวังสีเหลืองหมายถึงการเตรียมพร้อม อ, อพยพและสีแดงหมายถึงการ อ, อพยพปัจจุบันระบบเตือนภัยน้ําหลากดินถล่มหรือ Early Warning ได้มีการติดตั้งแล้วกว่า 1,545 สถานีครอบคลุมพื้นที่ 4,911 หมู่บ้านประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ที่แอปพลิเคชัน Early Warning ทั้งระบบ iOS และ Android น้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากร น, น้ำ